เธอพึงใส่หญ้าสดเข้าไปใส่โคไม้สดเข้าไปใส่ไม้สดเข้าไปพ่นลมที่เจือด้วยน้ำเข้าไปสู่กองไฟมีน้ำซ้ำยังเอาขุนโปรยเข้าไปในกองไฟอันเล็กน้อยซึ่งจนจะดับนั่นอีกดูกรพิสูจทั้งหลายบุรุษน้นบุรุษนั้นควรหรือที่จะยังไฟอันเล็กน้อยเนี่ยให้โปรงขึ้นได้ไม่สมควร เพราะว่าจิตที่หดหูสลดใจเนี่ยเหมือนกับว่าวิญญาณเนี่ยเกือบจะดับสูญไปจากโลกแล้วจิตของเราจะมีความรู้สึกนึกคิดต่อโลกเนี่ยเพียงเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองเพอความสลดหดหูมีมากเนี่ยความรู้สึกของจิตกค็คล้ายคล้ายกับดวงไฟที่ใกล้จะดับดวงไฟมันเหลือเล็กเหลือเกินเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําดวงไฟเนี่ยให้ใหญ่โตขึ้น แต่คนที่ไม่ฉลาดในการที่จะทําดวงไฟให้ลุกโผลงขึ้นมาดวงไฟใกล้จะดับอยู่แล้วก็ยังเอาของสดๆไปใส่อีกไฟนั้นจะลุกโผลงขึ้นมาไม่ได้เราจะทําไฟกองเล็กให้เป็นกองใหญ่ไม่ได้เพราะวัตถุคือเชื้อเพลิงที่ใส่ไปนะ่ะมันเป็นวัตถุที่ที่สดเป็นวัตถุที่เปียกชื้นซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อไฟไฟที่ดวงเล็กจะกลายเป็นไฟดวงใหญ่ขึ้นมาไม่ได้นี่ท่านอุประมา ให้เราได้เห็นการที่จะทำไฟกองเล็กให้เป็นกองใหญ่จําจะต้องอาศัยโคมไที่แห้งอาศัยปืนที่แห้งอาศัยลมที่ไม่มีความเปียกชื้นของอากาศ เ, าเราจึงจะสามารถทำไฟกองเล็กให้เป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาไดา้จิตที่หดหูท้อแท้ใจเนี่ยเปอร์เซนต์แห่งความยินดีที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกมันมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นเอง ท่านทั้งหลายคงจะเคยพบคนที่มีจิตผดผูบคนคนนี้จะมีความรู้สึกยินดีที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกน้อยมากคิดว่าแม้เมื่อไหร่จะตายจากโลกนี้เสียทีหนึ่งเบื่อนายเหลือเกินเราจะทําคนที่เบื่อนายต่อโลกซึ่งมีจิตใกล้จะดับอย่างนี้แล้วเนี่ยให้มีความอาจหานขึ้นมาหรือให้มีจิตเนี่ยอาจหานขึ้นมาว่าโลกนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่เราจะทํำยังไงถึงจะปลุกจิตคนเหล่านี้ ให้เกิดความภาพเพียรพยายามก็ตื้อรือร้อนขึ้นมาได้แทนที่จะหดหู่ท้อถอยอย่างนั้นเราก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ตรงกันข้ามกับความหดหู่ท้อถอยมาแก้ไขเพราะฉะนั้นในยามใดถ้าหากว่าจิตเนี่ยเกิดปัจสถานะคือความหดหู่เราเกิดความสังเวชหลุดใจขึ้นมาในสมัยนั้นไม่ควรจรระเดินปสถานะสำโพธชงแต่อปัจสถานะสำโพธชงนี้จะเป็นประโยชน์จะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ได้ ก็ในสมัยบางสมัยเท่านั้นจะไม่สมควรแก่การตรัสรู้ในสมัยที่จิตนี้กำลังประสบกับความหดหู่อยู่เพราะจิตที่หดหู่อยู่นี้ไม่ควรเจริญปสัสสติสำโพธชงเนี่ยเราต้องรู้จักรู้จักปรับจิตเหล่านี้ด้วยท่านกล่าวว่าในสมัยที่จิตเกิดความหดหู่ขึ้น บุคคลผู้นั้นจะต้องเจริญธรรมวิจยะสัโพธชงนี่ให้มากธรรมวิจยะสัมพดชงนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้จิตที่ใกล้จะดับความหดหู่ท้อถอยหรือความท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาจิตที่ใกล้จะดับก็จะผ่องใสขึ้น จะเห็นประโยชน์ในโลกนี้อีกมากมายที่เป็นกุศลแต่บอกต้องใช้ธรรมวิจยะสำโคตรชงธรรมวิจยะเนี่ยคือการวิจัยธรรมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็คือไปวิจัยธรรมะคำว่าวิจัยนี้คิดว่าท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ่อยๆเดี๋ยววิจัยเรื่องนั้นเดี๋ยววิจัยเรื่องนี้ในยุคแห่งการวิจัยเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆไหนเดี๋ยวท่านก็วิจัยปัญหานั้นเดี๋ยวท่านก็วิจัยปัญหานี้ ธรรมวิจัยนั้นก็คือการวิจัยธรรมในสมัยนั้นเราจะต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงคือต้องใช้ปัญญาไปวิจัยธรรมทันทีแทนที่จะเจริญแต่ปสัสสพิมุ่งไปสู่ความสงบแต่เรามุ่งวิจัยธรรมะเพื่อให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาหรือมิฉนั้นก็ต้องเจริญวิริยะสัมโพธชงขึ้นใช้ความเพียนให้หนักขึ้นไปอีก ปัสสทธินั้นก็จะคลายออกตามลำดับความสลดหดหูท้อแท้ใจก็จะถอยลงตามลำดับซึ่งแทนที่มันจะมากเกินไปมันก็จะได้พอดิบพอดีขึ้นไม่ทำให้จิตนี่หดหูจนเกินไปนักในสมัยนี้จึงจำเป็นต้องจเจริญธรรมวิญยสัมโพธชงแล้วก็จเจริญวุริยะสัมโพธชงเข้ามาประกอบดังที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลทมที่มีโทษและไม่มีโทษก็มีทมที่หยาบและประณีตก็มีรม ท, ที่มีส่วนเปรียบเสมอด้วยของดำและของขาวก็มีการที่เราทำให้มากซึ่งความใส่ใจโดยแยบคายในทำเหล่านั้น นี้เป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยเพื่อยังธรรมวิจยะสมโพธชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้พินโยภาพยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่ ง, หงธรรมวิจยะสมโพธชงและบุริยะสัมโพธชงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ไม่ได้ตรัสสอนให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมากเกินไปสิ่งใดก็ตามถ้ามันมากเกินไปแล้วก็ไม่ดี ต้องปรับให้พอดีพอดีกันความพอดีเป็นสิ่งสาคัญในในการกระทำทุกอย่างถ้ายังได้ยังหนึ่งมันมากไปแล้วการกระทำเช่นนั้นก็ให้เกิดโทษไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักประคับประคองจิตในสมัยที่ควรประคับประคองนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในด้านของสมาธิและก็จิต ที่ว่าควรประคองในสมัยที่ควรประคองเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันโดยละเอียดวันนี้เราพูดกันแต่เพียงว่าบางครั้งเรารู้สึกกวดหูท้อแท้ใจหรือเบื่อหน่ายในชีวิตถ้าในทางโลกรเรี่ย่งแหมไม่อยากทำอะไรทั้งหมดมันเบื่อหน่ายขี้เกียจงานการไม่อยากจะทำเนี่ยเราจะแก้ไขกันได้ยังไงในทางธรรมะกเหมือนกันความเบื่อหน่ายอันนี้เกิดได้ ผู้ปฏิบัติปฏิบัติไปพรสุดท้ายีเกียจปฏิบัติทํำท่าจะเลิอกเอาซะอย่างนั้นนะอย่างเนี้ก็มีแสดงให้เห็นว่าความโกรธขดผดูกเนี่ยมีมากเกินไปเราก็ต้องมีวิธีแก้ไขว่าเราจะแก้ไขกันได้อย่างไงในเมื่อจิตขดผูกถึงอย่างนี้ความหวังหรือความกระตือรือร้นที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกเนี่ยมันหมดไปซะแล้วเหมือนดวงไฟใกล้จะดับเต็มที เราจะทําอย่างไรจึงจะให้ดวงไฟอันน้อยนิดเนี่ยมันกลายเป็นไฟกองโตขึ้นมาอีกอันนี้ต้องเป็นผู้ฉลาดในการประครับประคองจิตวันนี้ยเราพูดกันเฉพาะแค่ว่าในสมัยที่จิตหดผูกเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรและไม่ควรปฏิบัติในธรรมะข้อไหนในสมัยที่จิตเป็นอย่างนี้ส่วนจิตของเราเนี่ยนอกจากความสลดหดผูกแล้ว บางครั้งก็ยังมีความรู้สึกในเรื่องอื่นอีกมากซึ่งอันนี้ท่านได้อธิบายไว้ในพระคัมภีรวิสุทธิมรรคไว้โดยละเอียดซึ่งเราจะได้นําเอามาศึกษากันต่อไปตมาจะได้นำมาอธิบายแยกแยะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าท่านได้แนะวิธีที่จะให้เราทำํำแบบไหนบ้างซึ่งเราจะได้รู้จักนําออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวันนี้พูดได้เพียงแค่นี้เวลาก็ล่วงเลยไปชั่วโมงหนึ่งแล้ว การบรรยายในวิสุทธิมรรคชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาท่านผู้พิชิตทั้งหลายการบรรยายคำทีพระวิสุทธิมรรคในวันนี้ปัมาจะได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอัปนาโศนต่อจากครั้งก่อนอในอัปนาโศนนี้ จำได้ว่าได้ได้บรรยายถึงอัปนาโกสุลข้อที่สี่คือคาว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองซึ่งเป็นอัปนาโกสุลข้อที่สี่ในอัปนาโกสลุลสิบสการและครั้งสุดท้ายนี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับในสมัยที่จิต เกิดความหดขู่ท้อถอยนั้นควรจเจริญธรรมวิจย ะ, ะควรจะเจริญวิยะสัมพุชงและอธิบายถึงเหตุที่จะให้เกิดวิริยะสัมพุทชงธรรมวิทยะสัมพุชงปิติสัมพุทชงให้ท่านทั้ ง, งหลายได้เข้าใจไปแล้ววันนี้จะได้พูดถึงเรื่องอั ป, ปนาโปศนข้อที่ห้า คือคำว่าขมจิตในสมัยที่ควรขมขมจิตในสมัยที่ควรขมซึ่งเป็นอั ป, ปนาโกศลในข้อที่ห้าสาหรับในอั ป, ปนาโกศลที่ได้นำมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาวะของจิตที่เราจะต้องรู้เท่าทันต่อสภาวะเช่นนี้ เพราะการฝึกจิตนั้นไม่ใช่เป็นของที่กระทําได้โดยง่ายฝึกจิตนี้ยากกว่าฝึกอะไรทั้งหมดยากกว่าที่เราจะจับช้างจับมาจับวัวจับควายในปา่าซึ่งเปรี่ยวเปลี่ยวมาฝึกเพื่อให้เกิดความเชื่องแล้วก็ใช้งานได้การฝึกจิตยากยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตนี่จึงจําเป็นที่เราจะต้อง รู้เท้าทันต่อสภาวะของจิตเพราะผู้ที่ปฏิบัติธรรมระหว่างจเจริญสมาธินั้นจิตนี้จะมีความละเอียดอ่อนไปตามลําดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตก็จะละเอียดตามสภาวะธรรมที่เรากําลังปฏิบัติอยู่เพราะว่าอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกาย กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยมีความหยาบและความละเอียดไม่เหมือนกันอย่างเรารับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้ทั่วๆไปทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นอารมณ์ที่หยาบแต่อารมณ์ทางจิตที่เป็นธรรมารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ละเอียดเพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอยู่แล้วอารมณ์ของจิตที่รับทางมโนทวารก็เป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนด้วย หรือถ้าจะเทียบกันในด้านทางโลกกับทางธรรมอารมณ์ในทางโลกก็ยากกว่าอารมณ์ในทางธรรมเพราะว่าอารมณ์ในทางโลกนั้นท่านทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกก็ย่อมจะทราบว่ามีความยากเพียงใดกับอารมณ์ในทางธรรมะนั้นมีความละเอียดกว่าทางโลกเนี่ยอย่างใดบ้างเราพอที่จะเทียบกันได้ง่าย อย่างเราใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับสังคมที่เป็นเรื่องโลกโลกกับการใช้ชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับสังคมในทางธรรมะก็มีความประนีตความยากแตกต่างกันทางธรรมเราเนี่ยประณีตกว่าประณีตกว่าอารมณ์ในทางโลกถ้าเรารับรู้อารมณ์ทางโลกมากเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องอารมณ์ของโลกเนี่ย เป็นเรื่องของความหยาบไม่ใช่เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนฉะนั้นคนที่มีจิตละเอียดแล้วมาัากจะคิดหนีโลกหรือถ้าจะไปใช้ชีวิตในทางโลกก็เห็นท่าจะสู้ทางโลกเขาไม่ไหวเพราะว่าความละเอียดอ่อนของจิตที่ตนเองได้รับการฝึกฝนมาไม่สามารถที่จะทนต่อความหยาบคายของโลกนันได้บุคคลประเภทเนี้จึงเป็นคนหนีโลก แล้วก็แสวงหาทางธรรมะเพราะว่าทนต่อความอยาบคายของโลกเนี่ยไม่ไหวดังนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคนที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ออโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าหน้าที่การงานของบุคคลที่มีอยู่ในโลกหน้าที่การงานอันนั้นเป็นหน้าที่การงานที่จะต้องใช้อารมณ์ที่อยากคนที่อยู่ในโลกก็ต้องมีจิตยากถึงจะอยู่ในโลกได้ ถ้าจิตไม่อยากก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีจิตละเอียดหรือเรามีความพอใจที่จะสแสวงหาอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนจะให้เราไปใช้ชีวิตในทางโลกแบบยากอย่างนั้นเราก็ไปไม่ได้หรือสู้ทางโลกเขาไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ทางธรรมเนี่ยละเอียดอ่อนกว่ากันเหมือนกับเราอยู่กับคนที่มีกิริยามันยาตรมุนตามายัย เป็นคนละเอียดเป็นคนประนีตจะให้เราไปอยู่กับคนที่มีมัน ญ, ญาติหยาบคายเราก็อยู่ด้วยไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ที่เรารับกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยความประนีตกับความหยาบของอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะอยู่ที่การสุดผลอบรมของเราเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเพราะเท่าที่อาตมาได้สังเกตแล้วก็ได้ทดสอบความรู้สึกจากท่านสาธุช น, นหลายท่านด้วยกันก็มักจะมีความรู้สึกอย่างนี้เช่นบา ง, บางท่านก็มาสารภาพว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมทําบาปแล้วหรือไม่ยอมที่จะประพฤติกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะในสมัยก่อนที่เราต้องทำทุจริตหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปก็เนื่องมาจากเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาทางธรรมะไม่รู้เลยว่าเรื่องาศาสนา น, นั้นเป็นอย่างไรจึงได้ทาในสิ่งที่ไม่สมควรลงไปตลอดจนการเข้าสู่สังคมก็เป็นสังคมประเภทที่ไม่มีศีลธรรมคนในสังคมนั้นไม่มีศีลธรรมเต็มไปได้วยโลภะโทสะและโมหะ เป็นด้วยความริษยาพยาบาทเนี่ยเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ไปคลุกคลีท่านได้มาศึกษาทางธรรมต้นฝนอบรมจิตประณีตขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงความอยากขายเช่นนั้นแล้วก็บอกว่าเวลานี้เข้าสังคมเช่นนั้นนะไม่ได้หรือไม่อยากจะเข้าสังคมเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปสู่สังคมเช่นนั้นแล้วรู้สึกว่าอยากมาก เนี่ยเหมือนกับเราจะเห็นฝั่งที่เรายืนอยู่ได้ชัดเจนเราจะต้องข้ามไปยืนดูอีกฝั่งหนึ่งเราจึงจะเห็นการมองสภาพชีวิตนี้ก็เหมือนกันการที่จะมองสภาพชีวิตในภาวะและฐานะที่เป็นอยู่นั้นย่อมมองไม่เห็นต่อเมื่อเราได้ปลีกตนเองออกไปสู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราก็มองย้อนกลับมาเราก็จะเห็นสภาพอันนั้นได้ชัดเจน เหมือนกับท่านทั้งหลายจะเห็นสภาพความจริงของชีวิตเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเราก็ต้องปรับปรุงจิตนี้ให้ไปสู่อีกสภาพหนึ่งแล้วเราก็ย้อนมาพิจารณาดูว่าสิ่งทั้งหลายที่ชีวิตได้เคยผ่านพ้นมาพอดีหรือที่ได้เคยประพฤติจาเจมาพอดีกับสิ่งที่เราประพฤติใหม่ๆนี้มีความต่างกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะเทียบมันได้เห็นว่าความอยากกับความละเอียดมันต่างกันอย่างไรเราต้องมองอีกด้านหนึ่ง ย้อนไปเราจึงจะเห็นว่าสิ่งนั้นหยาบสิ่งนี้ละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาวะของจิตนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเราจะต้องพยายามอบรมอยู่เสมอเราก็จะมองเห็นสภาพต่างกันของความหยาบและความละเอียดของอารมณ์ที่เราได้รับกันอยู่ทุกๆกวันนี้เพราะฉะนั้นบางท่านที่ ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตใจนี่ดีแล้วจึงเป็นคนที่พยายามหลีกเลี่ยงต่อความอยาบขายเช่นนั้นแล้วก็มุ่งที่จะไปสู่ความละเอียดอ่อนและมุ่งที่จะปรับปรุงจิตของตนเองเนี่ยให้ประณีตขึ้นตามลำดับซึ่งอันนี้เป็นผลเนื่องมาจากการอบรมจิตเรื่องจิตนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มากมายหลายแห่งโดยเฉพาะในพระพิธรรมมปิดกนั้น เรายกให้ทั้งหนึ่งปิดกพระพุทธองค์ตรัสสอนถึงเรื่องจิตทางนั้นเป็นเรื่องสภาวะที่เป็นปรมาติธรรมตรับเรื่องนี้มากแม้ในพระสุตตันตปิฎกก็มีหลายแห่งที่ได้ตรัสถึงเรื่องความสาคัญของจิตเช่นอย่างในพระสุตตันตปิฎกในคำพีอังคุตรณิกายในเอกนิบาต พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความสำคัญของจิตเนี่ยว้หลายไยยะด้วยกันถ้าพูดถึงเรื่องความสำคัญก็ได้หยิบยกเอาจิตนี้ขึ้นมาเป็นที่ตั้งว่ามีความสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับจิตหรือแม้แต่ความผิดพลาดต่างๆที่เราจะได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังตรัสว่า ไม่มีความผิดพลาดอะไรจะร้ายแรงเท่ากับความผิดพลาดในทางจิตเช่นเราตั้งจิตไว้ผิดมีความผิดพลาดและจะนำผลคือความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราเนี่ยมากมายบางแห่งก็เปรียบเทียบให้เราได้เห็นชัดเช่นคนมีเวรต่อคนมีเวรเมื่อเห็นหน้ากัน คนมีเวรต่อกันย่อมคิดประหัตประหารคิดทำลายล้างซึ่งกันและกันนี่เป็นปะกะติของคนมีเวรต่อคนมีเวรที่พบกันหรือศัตรูต่อศัตรูที่พบกันต่างฝ่ายต่างก็จะต้องสร้างความพินาศให้ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งเราถือว่า ไม่มีอะไรที่จะร้ายเท่ากับศัตรูต่อศัตรูเนี่ยมาพบกันเพราะศัตรูต่อศัตรูที่พบกันนั้นจะสร้างความเลวร้ายให้ซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างมากแต่ท่านเปลียตรัสว่าจิตที่เราตั้งไว้ผิดมีความเลวร้ายยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าคนมีเวรต่อคนมีเวรที่พบกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการตั้งจิตไว้ผิด ก็จะนําความวิบัตินําความทุกข์มาสู่ชีวิตเนี่ยอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไวในทางที่ถูกจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสาธุชนที่ปฏิบัติธรรมในอั ป, ปนาโตสม น, นี้ท่านได้ชี้ให้เราได้เห็นถึงอุบายที่เราจะประคับประคองจิตไปสู่สมาธิได้อย่างไรในเมื่อจิตตกอยู่ในภาวะเช่นนี้เราจะแก้ไขกันได้อย่างไร ครั้งที่แล้วออได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบตามนัยยะที่ท่านได้แสดงไว้ในคำภีพระวิสุทธิมารว่าการประคองจิตในสมัยที่ควรประคองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตนี้มีความเพี้ยนย่อหย่อนหรือมีความสรดขดหูท้อถอยจากการประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะแก้ไขภ า, าวะจิตที่มีความย่อหย่อนเอียดคร้านหรือมีความสลดขดหูเช่นนี้ได้อย่างไรท่านก็ได้ชี้ถึงอุบายว่าเราจะต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงเราต้องเจริญวิริยะสัมโพธชงต้องเจริญปีติสัมโพธชงเราจึงจะแก้ไขภ า, าวะจิตเช่นนั้นได้อันนี้เป็นอั ป, ปนาโปสนข้อที่สที่ท่านได้ชี้ให้เราได้เห็นถึงภาวะของจิตและก็วิธีการที่จะไปแก้ไข ว่ามมจิตเกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ขึ้นเราจะแก้ไขจิตเนี่ยได้โดยวิธีการอย่างไรเอ่อสหรับอภปนาโกศลข้อที่ห้าในวันนี้ที่ท่านตรัสว่าพึงข่มจิตในสมัยที่ควรข่มข่มจิตในสมัยที่ควรข่มจิตเราควรจะข่มในสมัยใดและเราจะข่ม้วยวิธีการอย่างไร นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษากันในวันนี้ ต, ตมาเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตั้งใจจะพูดเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเดินทางมาไม่ทันมาถึงนี่บ่ายสองโมงพอดีเลยหมดเวลาบรรยายตั้งใจไว้ว่าจะมบรรยายเรื่องนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะว่าขาดไปเสียสองอาทิตย์ ระหว่างที่เตรียมงานเปิดตึกวิทยาลัยก็เลยทำให้การบรรยายเนี่ยต้องหยุดชะ ง, งักไปความจริงแล้วอาตมา ร, รักที่จะบรรยายมากกว่ารักที่จะทำงานเพราะว่าระหว่างทำงานเนี่ยเป็นนักธุรกิจเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักวิชาการไม่ได้อยู่กับการค้นควา้ากับการปฏิบัติแลวก็รู้ ว่าระหว่างที่เราเป็นนักธุรกิจเป็นนักก่อสร้างเนี่ยอารมณ์ที่เราได้รับเนี่ยมันหยาบมากมายเพียงใดหยาบเหลือเกินยิ่งติดต่อทาธุรกิจกับคารวามากก็ยิ่งรู้สึกว่าแมมโลกมนุษย์นี่มันหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือคนบางคนจิตหยาบมากเห็นแต่ตัวก็ทีหนึ่งเห็นแต่ได้ก็ทีหนึ่ง ซึ่งราบางที่ทำธุรกิจมเนี่ยถึงได้รู้ว่าแหมโลกมันหยาบคายถึงขนาดนี้และมนุษย์ในโลกก็มีมากมายหลายแบบซึ่งถ้าหากว่าเรารู้ไม่เท่าทันก็ก็ต้องเสียเสียรู้หรือว่าทาให้เราเนี่ยต้องเสียประโยชน์ในทางศาสนาไปก็มีทำให้คือทาให้รู้จักคนมากขึ้นและก็รู้คนว่ามีหลายๆแบบ จากตามที่เป็นนักธุรศิษย์ เ, เป็นนักธรรมะเนี่ยอาตมาพบโยมก็จิตรู้สึกว่ายมดีทุกคนแล้วก็ผู้ที่มาหาเนี่ยดีทุกคนคือมองในด้านของความดีก็เห็นความดีทุกคนแต่ในด้านผลประโยชน์แล้วต้องมองทั้งสองแง่มองทั้งดีดยทั้งไม่ดีด้วย ต้องมองสองแง่แต่ก่อนที่มองแง่เดียวแต่ว่าตอนนี้ต้องมองสองแง่มองสองแง่ในฐานะที่ต้องทําธุรกิจทําธุรการในด้านการติดต่อในด้านการดําเนินงานต่างๆเนี่ยต้องมองทั้งสองแง่บางทีสองแง่ยังไม่พอต้องสามสี่แ ง, ง่ถึงจะรู้ว่าไอ้หมอนี่อย่างงั้นอย่างงั้นถึงจะรู้ไม่งั้นก็เสียประโยชน์ของสาธุชนไป เราว่างานที่ทำนี่บอกตรงๆว่าเป็นงานที่เสี่ยงต่อการตกนรกอย่างที่สุดเพราะว่างานที่ทำทุกอย่างเนี่ยทาทั้งหลายไปเห็นคิดว่าแม้ท่านกิตติที่สร้างเก่งนะทำไวเหลือเกินแล้วก็ทาได้ใหญ่โตวสวยงามมากไม่ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ใช่ท่านกิตติทำหรอกญาติโยมทำ แต่มาโยนแอบตามาเนี่ยเป็นผู้ทำห ร, รือว่าท่านกิติเป็นคนทําความจริงท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ทํตาตมาเองเป็นผู้ดําเนินงานให้แต่ในการเป็นผู้ดําเนินงานเนี่ยถ้าพลาดไปนิดนึงก็มีหวังตกนรกที่มีหวังตกนรกนี่เพราะว่าทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละบริจาคมาเนี่ยต้องทํา ไปตามเจตนาลมของผู้บริจาคต้องดำเนินงานให้รัฐอุมมบะทำอย่างไรจึงจะเสียประโยชน์น้อยที่สุดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดได้ผลงานมากที่สุดได้ผลงานมากได้ผลงานที่ดีได้ผลงานที่รวดเร็ววิธีการที่จะทำผลงานให้ดีให้ถูกให้รวดเร็วเนี่ยทำยากไม่ใช่ง่าย แนววิธีการอันนี้ก็ต้องพยายามใช้ความคิดความอ่านมากได้ให้ได้ผลงานที่เราจะสร้างเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากถ้าทำอะไรผิดพลาดไปไม่ตรงตามเป้าหมายและเจตนาของผู้บริจาคบาปทั้งหลายก็จะตกอยู่กับผู้ด ำ, ดำเนิน ง, งาน ดันผู้ดำเนิน ง, งานเนี่ยจึงเหมือนกับเดินอยู่บนปากขุมนรกถ้าพลาดนิดเดียวก็มีหวังลงแม่จากนั้นพี่ท่านทั้งหลายไปชื่นชมยินดีว่าแม่เนี่ยท่านบา ร, รมีมากนะตมาได้ได้รับแต่คาสันเสริญเยินยอว่าบา ร, รมีมากแต่ว่าความรู้สึกในใจนะ่ะควรจะควรจะบอกว่าแม้ท่านนี่มีกรรมมากถึงจะถูก เราก็มีบารมีมากแต่เรามไม่ใช่บารมีมากนะแต่มีตรำ ม, มากถึงจะถูกเพราะว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ความสบายอะทุกข์ตั้งหลายหลายด้านหลายหลายอย่างเป็นทุกข์ว่าแหมเราจะทำให้ให้เสร็จรวดเร็วตามที่โยมตั้งใจไหมนะเพราะตั้งแต่เริ่มลงมือก่อตั้ง โยมบางท่านอายุมากแล้วก็มานั่งบ่นว่าดิฉันจะได้อยู่ดูวิทยาลัยเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวว่าจะตายเสียก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยหนึ่งละโยมกลัวว่าจะไม่เสร็จกลัวชีวิตจะสั้นจะตายเอาเราก็ต้องคิดว่าคิดคํานวณว่าโยมมาหาเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แลสุขภาพยังดีหรือเปล่า ถ้เห็นสุขภาพยังดีอายุยังพอจะอยู่ได้อีกปีสองปีตมาก็เชิญโยมบอกว่าโยมอย่พึ่งตายก็แล้วกันขออยู่อีกสักสองสามปีให้งานเสร็จไปก่อนความจริงจะชวนกันไม่ได้หรอกจะบอกว่าอย่าพึ่งตายก็ไม่ได้เพราะว่าถึงคราวจะตายใครจะไปอ้อนวอนก็ไม่ได้แต่ตมาก็บอกโยมบอกว่าอย่าพึ่งตายก็แล้วกันคงจะเสร็จเสร็จแล้วตายก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโยมบางคนก็ยังไม่ได้ดูเสียดายว่าโยมบางคนตายไปก่อนก็มีแล้วก็เท่าที่ตมาทราบ ที่รู้จักตายไปหลายคนที่ตายไปหลายคนเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูความสําเร็จของงานราบินิยมบางคนก็ยังไม่ตายละอยู่ดูความสําเร็จแล้วที่กลัวว่าจะตายก็ไม่ตา ย, ไ, ตาย ไ, ได้เห็นเอ อ, เ อ, อสำเร็จขึ้นมาแล้วทําตายเห็นก็ยังอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนฉลองสมาเขาบอกว่ายังไม่เสร็จนะี่ต้องฉลองอีกทีหนึ่ง ก็ย่าเพิ่งตายกันแรกกันไหนๆก็อยู่มาแล้วขอให้ฉลองให้เสร็จซะก่อนแล้วไปตายกันเถอะอย่างนี้แต่ว่าเจตนาของผู้ที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทําให้สําเร็จแล้วคนทาก็ไม่สบายใจฉะนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยตา ม, มาจึงบกพร่องในเรื่องวิชาการบกพร่องในเรื่องการเผยแพร่ทั้งทางวิทยุก็ไม่ได้ทําอย่างเต็มที่ ถ้าทำเต็มที่ก็จะต้องดีกว่านี้แต่นี่เนื่องจากว่างานด้านนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็เป็นงานที่จะต้องติดตามตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องคอยจดจ่ออยู่เสมองานจึงจะเร็วแล้วก็ได้ผลมากถ้า ง, งานด้านนี้สําเร็จลงบ้างแล้วก็การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยคงจะสนุกไม่ใช่น้อยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทวตมาเนี่ยชอบอยู่แล้วก็ ฝักฝ่ยอยู่กับในสิ่งนี้เพอาะทุกๆวันนี่